สามสิบห้าที่สนามบินทนฟรีพลาซันดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะยายวิลไปสัง่งยนฟรีทัวร์ที่เอเธน นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอร์ด direct ฟลีขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรีค่ค่ะฉันอยากได้ที่นั่งด้านหน้าไม่สูบบรี่ดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะ j ั g อ n s k ไ r ้ที่นั่งด้านหน l า i n g e n min ดิฉันขอยกเลิกการจองคะ่ะ ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะฉันอยากเ r ลี่ยนการจองของฉันเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะนอร์กอูนั้นจะบินไปรูม a ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะที e t ั l e d i g ื p l a ง s e r ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะไหนวิฮอร์บาร์เอียนเลดีพลเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะนอร์แลนเดอรเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะนอร์อาวิเฟร์มรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอะเดตต์ดินคูเ t อร์นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะดนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะเดตดิน ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะวรมี่เเกาเช่คานเอท่าม่ยี่สิบกิโลกรัม20วอิโลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะบ้าบาร์เเอคิวเิโลารุนาไปที่